ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp3 แผ่นที่แปดสิบเก้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมแผ่นที่แปดสิบเก้าให้คติธรรมหัวข้อว่าธรมเมนะวิตตะเมเสยยะ พึงหาเลี้ยงชีพโดยทางชอบธรรมอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้การหาเลี้ยงชีพนั่นก็คือหมวดการอยู่ด้วยกันหมวทานสินหมวดสินหมวดทานหมวดศินการหาเลี้ยงชีพคนเราเกิดมาก็ต้องมีการหาอาหารการบริโภคผ้าหนุ่งห่มหาปัจจัยสี่ พูดง่ายๆว่าปัจจัยสีนะ่นเครื่องเลี้ยงชีพได้ในทางที่ชอบทำรรไม่คดไม่โกงไม่เบียดเบียนใครมาเลี้ยงชีพตนเองคือให้ชอบธรรมให้ชอบทำคือให้มีศินการอยู่การแสวงหาไปในทางที่ถูกต้องที่เป็นธรรมให้เป็นผู้มีศินถ้าว่าเป็นผู้หาเลี้ยงชีพ ในทางที่ชอบทำแล้วเราจะอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดไปด้วยความองอาจกล้าหาญไปด้วยความสง่าผ่าเผยเพราะเราไม่มีโทษภัยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านการสาะแสวงหาทางเลี้ยงชีพนี่ก็ถ้าอยู่โดยทำแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญใจของเราก็สบาย ปัจจัยสีของเราก็พอเป็นไปเพราะนั้นการเสาะสแสวงหาภายนอกหาเลี้ยงชีพถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายไม่มีวันที่จะหนุ่มน้อยไปข้างหน้าพออายุเลยห0 6 0ไปแล้วก็มีแต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆเพราะ น, นั้นควรจะหาธรรมะเข้าสู่จิตใจ ถ้าว่าพวกเรามีธรรมอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละมีแต่ความร่มเย็นผาสุขด้วยอำนาจคุณพระศีะรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอันอำนาจบุญบา ร, รมีครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรม ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอห้อยสมหวังดังปรารถนา ท, ทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิด